เสัตตมณนเจ็สัมปยุตเตนวิปยุตตะปธานิเทศ306สภาวธรรมเหล่าใดสัมปยุตด้วยเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันมานายตนะสภาวธรรมเหล่าใดวิปยุตจากสภาวธรรมเหล่านั้นสภาวธรรมเหล่านั้นวิปยุตจากขันอายตนะและธาตุเท่าไรสภาวธรรมเหล่านั้นวิปยุตจากขันสี่ อายตนะหนึ่งธาตุเและวิปยุจจากอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วน307สภาวธรรมเหล่าใดสัมปยุจด้วยจกักกุวิญญาณธาตุมโนธาตุมโนวิญญาณธาตุสภาวธรรมเหล่าใดวิปยุจจากสภาวธรรมเหล่านั้นสภาวธรรมเหล่านั้นไม่มีขันและอายตนะเหล่าไหนที่จะวิปยุจแต่วิปยุจจากธาตุหนึ่งสาม สภาวธรรมเหล่าใดสัมปยุตด้วยมนินรีสภาวธรรมเหล่าใดวิปยุตจากสภาวธรรมเหล่านั้นสภาวธรรมเหล่านั้นวิป <intellectual> ยุตจากขันธ์สี่อายตนะหนึ่งธาตุเและวิปยุตจากอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วน309สภาวธรรมเหล่าใดสัมปยุตด้วยอุเปกขินสีสภาวธรรมเหล่าใดวิปยุตจากสภาวธรรมเหล่านั้น สภาวธรรมเหล่านั้นไม่มีขันและอายตนะเหล่าไหนาที่จะวิปยุตแต่วิปยุตจากธาตุห310สภาวธรรมเหล่าใดสัมยุญ ด, ด้วยวิญญาณที่เกิดเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยภัตตาที่เกิดเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยเวทนาที่เกิดเพราะมีภัตตาเป็นปัจจัยสภาวธรรมเหล่าใดสัมยุญ ด, ด้วยภัตตาเวทนาสัญญาเจตนาจิต มนัสิการสภาวธรรมเหล่าใดวิปยุจจากสภาวธรรมเหล่านั้นสภาวธรรมเหล่านั้นวิปยุจจากขันธ์สี่อายตนะหนึ่งธาตุเและวิปยุจจากอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วน311สภาวธรรมเหล่าใดสัมพยุจด้วยอธิโมกสภาวธรรมเหล่าใดวิปยุจจากสภา ว, ดด ว, note, ภาวธรรมเหล่านั้น สภาวธรรมเหล่านั้นไม่มีขันและอายตนะเหล่าไหนที่จะวิปยุตแต่วิปยุตจากธาตุดึงสามสภาวธรรมเหล่าใดสัมปยุตด้วยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาสภาวธรรมที่สหรคตด้วยอุเบกขาสภาวธรรมเหล่าใดวิปยุตจากสภาวธรรมเหล่านั้น สภาวธรรมเหล่านั้นไม่มีขันและอายตนะเหล่าไหนที่จะวิปยุตแต่วิปยุตจากธาตุห3าสสภาวธรรมเหล่าใดสัมพยุตด้วยสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกกระวิจจา์สภาวธรรมเหล่าใดวิปยุตจากสภาวธรรมเหล่านั้นสภาวธรรมเหล่านั้นไม่มีขันและอายตนะเหล่าไหนที่จะวิปยุตแต่วิปยุตจากธาตุหนึ่ง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 เป็นไปตามจิตสภาวธรรมเหล่าใดวิปยุจจากสภาวธรรมเหล่านั้นสภาวธรรมเหล่าน um si ั้นวิปยุจจากขันธ์สี่อายตนะหนึ่งธาตุเและวิปยุจจากอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วน315สภาวธรรมเหล่าใดสัมพยุจด้วยสภาวธรรมที่มีว <Sure> ิตกสภาวธรรมที่มีวิจารสภาวธรรมเหล่าใดวิปยุจจากสภาวธรรมเหล่านั้น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 แต่วิปยุจจากธาตุห้ารวมบทธรรมในสัตตมานัย37มบบทขันธ์อายตนะหนึ่งธาตุเจ็ดอินรีสองปฏิจจสมุปบาท3สภาวธรรมทั้งหลายที่มีผัสสะเป็นที่หอัอธิโมกหนึ่งมณสิกาหนึ่งในติกะสมบทในมหันตราธุกกะเจบท 2บทที่สัมปะยุทธ์กับจิตคือสวิตักกัสวิจาระหนึ่งและที่สัมปะยุทธ์ด้วยอเบขาหนึ่งสัมปยุเตนะวิปยุตตะปัฏานิเทศที่7 จ, จบ8อธัธรรมไนาย8วิปยุเตนะสัมปะยุตตะปัฏานิเทศ317รอยสิบเจ็ สภาวธรรมเหล่าใดวิปยุตจากรูปขนันสภาวธรรมเหล่านั้นสัมปยุตยด้วยขนันอายตนะและธาตุเท่าไรไม่มีการสัมปยุตสามร้สภาวธรรมเหล่าใดวิปยุตจากเวทนาขนันสัญญาขนันสังขารขนันวิญญาณขนันสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้รองไห้สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้รองไห้ สภาวธรรมเหล่านั้นสัมปยุตเดขันอายตนะและาธาตุเท่าไรไม่มีการสัมปยุตรรวมบทธรรมที่ไม่ได้ในอัจธรรมนัย47บเจบทธรรมายตนะหนึ่งธรรมาธาตุหนึ่งชีวิตินสีหนึ่งนามรูปหนึ่งสลายัตนะหนึ่งชาติหนึ่งชาราหนึ่งมรณะหนึ่งธรรมะสองบทจากติกะคืออชัตตาภหิทธะและ อนิทัศนะอปปติคะในอันตรทุกกะแรกเจบทในโคจชกะสิบทบทในมหันตระทุกกะถัดมา14บทในปีติทุกกะสุดท้ายหบทสภาวธรรม47บทเทเหล่านี้ย่อมไม่ได้ทั้งในสมุทเฉทะและในโมคปุจฉกะวิปยุตเตนะ สัมปยุตตปัฏฐานิเทศที่8จบ 9. นวมะไนก้าสัมปยุตเตนะสัมปยุตตาปัฏฐานิเทศ3า9สภาวธรรมเหล่าใดสัมปยุตด้วยเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันสภาวธรรมเหล่าใดสัมปยุตด้วยสภาวธรรมเหล่านั้นสภาวธรรมเหล่านั้นสัมปยุตด้วยขันอายตนะและธาตุเท่าไร สภาวธรรมเหล่านั้นสัมปยุทธ์ด้วยขันสามอายตนะหนึ่งธาตุเและสัมปยุทธ์ด้วยอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วน320สภาวธรรมเหล่าใดสัมปยุทธ์ด้วยวิญญาณขันมนายตนะจักกุวิญญาณธาตุมโนธาตุมโนวิญญาณธาตุสภาวธรรมเหล่าใดสัมปยุทธ์ด้วยสภาวธรรมเหล่านั้น สภาวธรรมเหล่านั้นสัมปยุทธ์ด้วยขันสามและสัมปยุทธ์ด้วยอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วน321สภาวธรรมเหล่าใดสัมปยุทธ์ด้วยสมุดทยสัตว์มัคสัต์สภาวธรรมเหล่าใดสัมปยุทธ์ด้วยสภาวธรรมเหล่านั้นสภาวธรรมเหล่านั้นสัมปยุทธ์ด้วยขันสามอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งและสัมปยุทธ์ด้วยขันหนึ่งอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วน 322สภาวธรรมเหล่าใดสัมปยุตด้วยมนินสีสภาวธรรมเหล่าใดสัมปยุตด้วยสภาวธรรมเหล่านั้นสภาวธรรมเหล่านั้นสัมปยุตด้วยขันธ์สามและสัมปยุตด้วยอายตนะหนึ่งธาตุหน yep ึ่งบางส่วน323สภาวธรรมเหล่าใดสัมปยุตด้วยสุขขินสีทุกขินสีโสมนัสสินสีโทมณัสสินสีสภาวธรรมเหล่าใด สัมปยุตด fullness, another, 3, 1, 1, 1, ้วยสภาวธรรมเหล่าน so ั <ongo> recycled, efendim, supports, ้นสภาวธรรมเหล่านั้นสัมปยุตด้วยขันธ์สอายตนะ1นธาตุหนึ่งและสัมปยุตด้วยอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วน3ามร้อยสภาวธรรมเหล่าใดสัมปยุตด้วยอุเปกขิน4สภาวธรรมเหล่าใดสัมปยุตด้วยสภาวธรรมเหล่านั้นสภาวธรรมเหล่านั้นสัมปยุตด้วยขันธ์สอายตนะ1นธาตุห และสัมพยุดด้วยอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วน325สภาวธรรมเหล่าใดสัมพยุดด้วยสัตทินรีวิริยินทรีสตินสีสมาทินสีปัญญินสีอนัญญาตัญญสสามีตินสีอัญยินสีอัญญาตาวินทรียอวิชชาสังขารที่เกิดเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัย สภาวธรรมเหล่าใดสัมพยุดด้วยสภาวธรรมเหล่านั้นสภาวธรรมเหล่านั้นสัมพยุดด้วยขันสามอายตนะ1นธาตุหนึ่งและส ces, ัมพยุดด้วยขันหนึ่งอายตนะ1นธาตุหนึ่งบางส่วน326สภาวธรรมเหล่าใดสัมพยุดด้วยวิญญาณที่เกิดเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยสภาวธรรมเหล่าใดสัมพยุดด้วยสภาวธรรมเหล่านั้น สภาวธรรมเหล่านั้นสัมพยุดด้วยขันสามและสัมพยุดด้วยอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วน 3. ามรอยยสภาวธรรมเหล่าใดสัมพยุดด้วยผัสสะที่เกิดเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยสภาวธรรมเหล่าใดสัมพยุดด้วยสภาวธรรมเหล่านั้นสภาวธรรมเหล่านั้นสัมพยุดยยด้วยขันสามอายตนะหนึ่งธาตุเและสัมพยุดด้วยขันหนึ่งอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วน สามสภาวธรรมเหล่าใดสัมปยุตด้วยเวทนาที่เกิดเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยสภาวธรรมเหล่าใดสัมปยุตด้วยสภาวธรรมเหล่านั้นสภาวธรรมเหล่านั้นสัมปยุตด้วยขันธ์สอายตนะหนึ่งธาตุเและสัมปยุตด้วยอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วน329สสภาวธรรมเหล่าใดสัมปยุตด้วยตัณหาที่เกิดเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัย อุปาทานที่เกิดเพราะมีตันหาเป็นปัจจัยกรรมภพสภาวธรรมเหล่าใดสัมพยุตด้วยสภาวธรรมเหล่านั้นสภาวธรรมเหล่านั้นสัมพยุตด้วยขันธ์สอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งและสัมพยุตด้วยขันธ์หนึ่งอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วน330สภาวธรรมเหล่าใดสัมพยุตด้วยโสกทุกข์โทมานต์สภาวธรรมเหล่าใดสัมพยุตด้วยสภาวธรรมเหล่านั้น สภ า, 1, า 1, สดดวธรร ม, ม, ม, ม, มเหล่านั้นสัมพยุต ด, ด้วยขันสามอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งและสัมพยุตด้วยอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วน3 3มสภาวธรรมเหล่าใดสัมพยุตด้วยอุปายาสติปัฐานสมปทานสภาวธรรมเหล่าใดสัมพยุตด้วยสภาวธรรมเหล่านั้นสภาวธรรมเหล่านั้นสัมพยุตด้วยขันสามอายตนะ หธาตุหนึ่งและสัมพยุทธ์ด้วยขันหนึ่งอายตระ1นธาตุหบางส่วนสามสภาวธรรมเหล่าใดสัมพยุทธ์ด้วยอิทธิบาทสภาวธรรมเหล่าใดสัมพยุทธ์ด้วยสภาวธรรมเหล่านั้นสภาวธรรมเหล่านั้นสัมพยุทธ์ด้วยขันสองและสัมพยุทธ์ด้วยขันหนึ่งอายตระหธาตุหบางส่วน3าม สภาวธรรมเหล่าใดสัมปยุต ด, ด้วยฌานสภาวธรรมเหล่าใดสัมปยุต ด, ด้วยสภาวธรรมเหล่านั้นสภาวธรรมเหล่านั้นสัมป ย, ย, ยุตได้ขันสองอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งและสัมปยุตได้วยขันหนึ่งอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วน334สภาวธรรมเหล่าใดสัมปยุต ด, ด้วยอัปปมัญญาอินท 5, รีห้าพละหโพชฌงเจ็อริยมัคมีองค์8 สภาวธรรมเหล่าใดสัมปยุตด้วยสภาวธรรมเหล่านั้นสภาวธรรมเหล่านั้นสัมปยุตด้วยขันธ์สอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งและ ส, de, ส, Richards, สัมปยุตด้วยขันธ์หนึ่งอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วน335สภาวธรรมเหล่าใดสัมปยุตด้วยผัสสะเจตนามนสิการสภาวธรรมเหล่าใดสัมปยุตด้วยสภาวธรรมเหล่านั้น สภาวัฒน์เหล่านั้นสัมปยุตได้ขันสามอายตนะหนึ่งธาตุเและสัมปยุตได้ขันหนึ่งอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วน336สภาวธรรมเหล่าใดสัมปยุตด้วยเวทนาสัญญาสภาวธรรมเหล่าใดสัมปยุตด้วยสภาวธรรมเหล่านั้นสภาวธรรมเหล่านั้นสัมป ย, ยุตได 7, ้ดดขันสามอายตนะหนึ 36, ่งธาตุเ และสัมปยุทธ์ด้วยอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วน337สภาวธรรมเหล่าใดสัมปยุทธ์ด้วยจิตสภาวธรรมเหล่าใดสัมปยุทธ์ด้วยสภาวธรรมเหล่านั้นสภาวธรรมเหล่านั้นสัมปยุทธ์ด้วยขันธ์สและสัมปยุทธ์ด้วยอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วน338สภาวธรรมเหล่าใดสัมปยุทธ์ด้วยอธิโมก สภาวธรรมเหล่าใดสัมพยุดด้วยสภาวธรรมเหล่านั้นสภาวธร 1. 1มรมเหล่านั้นสัมพยุดด้วยขันสามอายตนะหนึ่งธาตุสองและสัมพยุดด้วยขันหนึ่งอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วน339สภาวธรรมเหล่าใดสัมพยุดด้วยสภาวธรรมที่สัมพยุดด้วยสุขเวทนาสภาวธรรมที่สัมพยุดด้วยทุกขเวทนาสภาวธรรมที่สัมพยุดด้วย อาทุกขมสุขเวทนาะสภาวธรรมเหล่าใดสัมปยุตด้วยสภาวธรรมเหล่านั้นสภาวธรรมเหล่านั้นสัมปยุตด้วยขันหนึ่งและสัมปยุตด้วยอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วน340สภาวธรรมเหล่าใดสัมปยุตด้วยสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกกวิจจานสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจจานสภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติ สภาวธรรมเหล่าใดสัมพยุตด้วยสภาวธรรมเหล่านั้นสภาวธรรมเหล่านั้นสัมพยุตได้ขันหนึ่งอายตนะหนึ่งและธาตุหนึ่งบางส่วน3ามสภาวธรรมเหล่าใดสัมพยุตด้วยสภาวธรรมที่สหรคตด้วยสุขสภาวธรรมที่สหรคตด้วยอุเบกขาสภาวธรรมเหล่าใดสัมพยุตด้วยสภาวธรรมเหล่านั้น สภาวธรรมเหล่านั้นสัมปยุตด้วยขันหนึ่งและสัมปยุตด้วยอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วน3ามรสสภาวธรรมเหล่าใดสัมปยุตด้วยสภาวธรรมที่เป็นเหตุสภาวธรรมที่เป็นเหตุและมีเหตุสภาวธรรมที่เป็นเหตุและสัมปยุตด้วยเหตุสภาวธรรมเหล่าใดสัมปยุตด้วยสภาวธรรมเหล่านั้น สภาวธรรมเหล่านั้นสัมปยุตได้วยขันสามอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งและสัมปยุตได้วยขันหนึ่งอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วน343สสภาวธรรมเหล่าใดสัมปยุตด้วยสภาวธรรมที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุสภาวธรรมเหล่าใดสัมปยุตด้วยสภาวธรรมเหล่านั้น สภาวธรรมเหล่านั้นสัมปยุทธ์ด้วยขันหนึ่งอายตนะหนึ่งและธาตุหนึ่งบางส่วน344สภาวธรรมเหล่าใดสัมปยุทธ์ด้วยสภาวธรรมที Violence, ่เป็นอาสวะสภาวธรรมที vantage, ่เป็นอาสวะและเป็นอารมณ์ของอาสวะสภาวธรรมที่เป็นอาสวะและสัมปยุทธ์ด้วยอาสวะสภาวธรรมเหล่าใดสัมปยุทธ์ด้วยสภาวธรรมเหล่านั้น สภาวธรรมเหล่านั้นสัมปยุตได้วยขันสามอายตนะ1นธาตุหนึ่งและสัมปยุตได้วยขันหนึ่งอายตนะหธาตุหนึ่งบางส่วนสามสภาวธรรมเหล่าใดสัมปยุตด้วยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะสภาวธรรมเหล่าใดสัมปยุตด้วยสภาวธรรมเหล่านั้น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 ปรามาตและเป็นอารมณ์ของปรามาตรสภาวธรรมเหล่าใดสัมปยุตด้วยสภาวธรรมเหล่านั้นสภาวธรรมเหล่านั้นสัมปยุตได้ขันสามอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งและสัมปยุตได้ขันหนึ่งอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วน347สภาวธรรมเหล่าใดสัมปยุตด้วยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยปรามาตร สภาวธรรมเหล่าใดสัมปยุทธ์ด้วยสภาวธรรมเหล hmm? ่านั้นสภาวธรรมเหล่านั้นสัมปยุทธ์ด้วยขันหนึ่งอายตนะหนึ่งและธาตุหนึ่งบางส่วน348สภาวธรรมเหล่าใดสัมปยุทธ์ด้วยสภาวธรรมที่เป็นจิตสภาวธรรมเหล่าใดสัมปยุทธ์ด้วยสภาวธรรมเหล่านั้นสภาวธรรมเหล่านั้นสัมปยุทธ์ด้วยขันสามและสัมปยุทธ์ด้วยอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วน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 สภาวธรรมเหล่าใดสัมพยุดด้วยสภาวธรรมเหล่านั้นสภาวธรรมเหล่านั้นสัมพยุดด้วยขันธ์หนึ่งอายตนะหนึ่งและธาตุเจ็ดสสภาวธรรมเหล่าใดสัมพยุดด้วยสภาวธรรมที่เป็นอุปาทานสภาวธรรมที่เป็นกิเลสสภาวธรรมที่เป็นกิเลสและเป็นอารมณ์ของกิเลสสภาวธรรมที่เป็นกิเลสและกิเลสทําให้เศร้าหมอง สภาวธรรมที่เป็นกิเลสและสัมพยุดด้วยกิเลสสภาวธรรมเหล่าใดสัมพยุดด้วยสภาวธรรมเหล่านั้นสภาวธรรมเหล่านั้นสัมพยุดด้วยขันธ์สอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งและสัมพยุดด้วยขันธ์หนึ่งอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วน351สภาวธรรมเหล่าใดสัมพยุดด้วยสภาวธรรมที่กิเลสทําให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลส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 สภาวธรรมเหล่าใดสัมพยุดด้วยสภาวธรรมที <habla gibi> <us les> ่สวรคตด้วยสุขสภาวธรรมที่สวารคตด้วยเบิกขาสภาวธรรมเหล่าใดสัมพยุดด้วยสภาวธรรมเหล่านั้นสภาวธรรมเหล่านั้นสัมพยุดด้วยขันอายตนะและธาตุเท่าไรสภาวธรรมเหล่านั้นสัมพยุดด้วยขันหนึ่งและสัมพยุดด้วยอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วนรวมบทธรรมในนวมนัย 120อบทอรูปขันธ์สมานายตนะหนึ่งวิญญาณธาตุจสัจจะสองอินทรี14ปัจจาการ12บทที่ต่อจากปัจจาการนั้น16บทในติกะ8บทในโคจัตกะ43บทในมหันตระทุ ก, กะ7บทในปิธิทุกะ6บท บทธรรมเหล่านี้สงเคราะห์เข้าในนวะมะนิเทศดังนี้สัมปยุตเตนะสัมปยุตตะปัฏนิเทศที่9จบ 10. ทัตสมะในสิบวิปยุตเตนะวิปยุตตปัฏานิเทศ353 ส, สิสามสภาบธรรมเหล่าใดวิปยุตจากรูปขันสภาบธรรมเหล่าใดวิปยุต จากสภาวธรรมเหล่านั้นสภาวธรรมเหล่านั้นวิปยุตจากขันธ์อายตนะและธาตุเทไรสภาวธรรมเหล่านั้นวิปยุตจากขันธ์สอายตนะหนึ่งธาตุเและวิปยุตจากอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วน354สภาวธรรมเหล่าใดวิปยุตจากเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์มนายตานะ สภาวธรรมเหล่าใดวิปยุตจากสภาวธรรมเหล่านั้นสภาวธรรมเหล่านั้นวิปยุตจากขันหนึ่งอายตนะ10บธาติสิและวิปยุตจากอายตนะหนึ่งธาติหนึ่งบางส่วน355สภาวธรรมเหล่าใดวิปยุตจากจักขาอายตนะโพธพายตนะจักขู่ธาโพธพธาตาสภาวธรรมเหล่าใดวิปยุตจากสภาวธรรมเหล่านั้น สภาวธรรมเหล่านั้นวิปยุตจากขันธ์สอ 1, ทายตนะหนึ่งธาตุเและวิปยุตจากอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วน356สภาวธรรมเหล่าใดวิปยุตจากจักขุวิญญาณธาตุมโนธาตุมโนวิญญาณธาตุสมุทยสัตว์มคสัต์สภาวธรรมเหล่าใดวิปยุตจากสภาวธรรมเหล่านั้น สภาวธรรมเหล่านั้นวิปยุตจากขันหนึ่งอายตนะสิธาตุสิและวิปยุตจากอายตนะหนึ่งธาตุหบางส่วนสามสภาวธรรมเหล่าใดวิปยุตจากนิโรธสัตตจักขุนสกายินรี่อิทธินรีปุริสินสสภาวธรรมเหล่าใดวิปยุตจากสภาวธรรมเหล่านั้น สภาวธรรมเหล่านั้นวิปยุตจากขัน 4, สีอายตนะ1นธาตุเและวิปยุตจากอายตนะ1นธาตุหบางส่วน358สภาวธรรมเหล่าใดวิปยุตจากมนินสีสภาวธรรมเหล่าใดวิปยุตจากสภาวธรรมเหล่านั้นสภาวธรรมเหล่านั้นวิปยุตจากขันหนึ่ง 1, อายตนะ10บธาตุสิและวิปยุตจากอายตนะ1นธาตุหบางส่วน359 สภาวธรรมเหล่าใดวิปยุตจากสุขขิน4ทุกขิน4ีโสมณสินสโทมณสินสีสภาวธรรมเหล่าใดวิปยุตจากสภาวธรรมเหล่านั้นสภาวธรรมเหล่า <into> <badges. S 1> นั้นวิปยุตจากขันหนึ่งอายตนะสิบธาตุสิและวิปยุตจากอายตนะหนึ่งธาตุหบางส่วน360สภาวธรรมเหล่าใดวิปยุตจากอุเปกขินสี สภาวธรรมเหล่าใดวิปยุตจากสภาวธรรมเหล่านั้นสภาวธรรมเหล่านั้นวิปยุตจากขันธ์หนึ่งอายตนะสิธาตุสิอและวิปยุตจากอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วน361สภาวธรรมเหล่าใดวิปยุตจากสัตถินสี่วิริยินสีสตินสีสมาธินสีปัญญินสีอนัญญาตัญยัตสามีตินสี อัญญรีอัญยาตาวินรีอวิชชาสังขารที่เกิดเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยสภาวธรรมเหล่าใดวิปยุตจากสภาวธรรมเหล่านั้นสภาวธรรมเหล่านั้นวิปยุตจากขันหนึ่งอายตนะ10บธาตุสิและวิปยุตจากอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วนสาม สภาวธรรมเหล่าใดวิปยุตจากวิญญาณที่เกิดเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยภัทระที่เกิดเพราะมีสลายยตนะเป็นปัจจัยเวทนาที่เกิดเพราะมีภัทระเป็นปัจจัยสภาวธรรมเหล่าใดวิปยุตจากสภาวธรรมเหล่านั้นสภาวธรรมเหล่านั้นวิปยุตจากขันธ์หนึ่งอายตนะ10บธาตุสิและวิปยุตจากอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วนสาม สภาวธรรมเหล่าใดวิปยุจจากตัณหาที่เกิดเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยอุปาทานที่เกิดเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยกรรมภพสภาวธรรมเหล่าใดวิปยุจจากสภาวธรรมเหล่านั้นสภาวธรรมเหล่านั้นวิปยุจจากขันหนึ่งอายตนะสิธาตุสิและวิปยุจจาก อ, อายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วน364 สภาวธรรมเหล่าใดวิปยุตจากปรุภพบสภาวธรรมเหล่าใดวิปยุตจากสภาวธรรมเหล่านั้นสภาวธรรมเหล่านั้นไม่มีขันและอายตนะเหล่าไหนที่จะวิปยุตแต่วิปยุตจากธาตุสา65สภาวธรรมเหล่าใดวิปยุตจากอสัญญาภพเอเกโวกาวระพบปริเทวะสภาวธรรมเหล่าใด วิปยุทธจากสภาวธรรมเหล่านั้นสภาวธรรมเหล่านั้นวิปยุทธจากขันสี่อายตนะหนึ่งธาตุเและวิปยุทธจากอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วน366 ส, สภาวธรรมเหล่าใดวิปยุทธจากอรูปประพบเนวสัญญานาสัญญาภ พ, พ, พจตุโวการพบโสกะทุก์โทโมณตอุปายาสสติปัฐาน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 สภาบธรรมเหล่าใดวิปยุตจากอธิโมกสภาวธรรมเหล่าใดวิปยุตจากสภาวธรรมเหล่านั้นสภาวธรรมเหล่านั้นวิปยุตจากขันหนึ่งอายตนะ10บธาตุสิและวิปยุตจากอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วน 1. ติกะ369สภาวธรรมเหล่าใดวิปยุตจากสภาวธรรมที่เป็นกุศลสภาวธรรมที่เป็นอกุศล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 สภาวธรรมเหล่าน e ั้นวิปยุตจากขันหนึ่งอายตนะ10บธาตุสิและวิปยุตจากอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วน371สภาวธรรมเหล่าใดวิปยุตจากสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอทุกรรมสุขเวทนาสภาวธรรมเหล่าใดวิปยุตจากสภาวธรรมเหล่านั้นสภาวธรรมเหล่านั้นวิปยุตจากขันหนึ่งอายตนะ10บธาตุสิอ และวิปยุจจากอายตนะ1นธาติหนึ่งบางส่วน372สภาวธรรมเหล่าใดวิปยุจจากสภาวธรรมที่เป็นวิบากสภาวธรรมเหล่าใดวิปยุจจากสภาวธรรมเหล่านั้นสภาวธรรมเหล่านั้นวิปยุจจากขันหนึ่งอายตนะสิบธาติสิบและวิปยุจจากอายตนะ1นธาติหนึ่งบางส่วน 373. สภาวธรรมเหล่าใดวิปยุตจากสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากสภาวธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลสสภาวธรรมเหล่าใดวิปยุตจากสภาวธรรมเหล่านั้นสภาวธรรมเหล่านั้นวิปยุตจากขันหนึ่งอายตนะ10บธาตุสิและวิปยุตจากอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วน374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 สภาวธรรมเหล่าใดวิปยุตจากสภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานสภาวธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสสภาวธรรมเหล่าใดวิปยุตจากสภาวธรรมเหล่านั้นสภาวธรรมเหล่านั้นไม่มีขันและอายตนะเหล่าไหนาที่จะวิปยุตแต่วิปยุตจากาธาตุห 376สภาวธรรมเหล่าใดวิปยุตจากสภาวธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารสภาวธรรมเหล่าใดวิปยุตจากสภาวธรรมเหล่านั้นสภาวธรรมเหล่านั้นวิปยุตจากขันหนึ่งอายตนะ10บธาติสิและวิปยุตจากอายตนะหนึ่งธาติหนึ่งบางส่วน377สภาวธรรมเหล่าใดวิปยุตจากสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจาร สภาวธรรมเหล่าใดวิปยุตจากสภาวธรรมเหล่านั้นสภาวธรรมเหล่านั้นวิปยุตจากขันหนึ่งอายตนญสิธาติสิและวิปยุตจากอายตัญหนึ่งธาติหนึ่งบางส่วน378สภาวธรรมเหล่าใดวิปยุตจากสภาวธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์สภาวธรรมเหล่าใดวิปยุตจากสภาวธรรมเหล่านั้น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 380สภาบธรรมเหล่าใดวิปยุตจากสภาวธรรมที่สหอรคตด้วยอเบขาสภาวธรรมเหล่าใดวิปยุตจากสภาวธรรมเหล่านั้นสภาวธรรมเหล่านั้นวิปยุตจากขันหนึ่งอายตนะสิบธาติสิและวิปยุตจากอายตนะหนึ่งธาติหบางส่วน381สภาวธรรมเหล่าใดวิปยุตจากสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมัก สภาวธรรมที่ต euh ้องประหารด้วยมักเบื้องบนสาสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสาสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานสภาวธรรมที่เป็นของเสกขบุคคลสภาวธรรมที่เป็นของอเสขบุคคล สภาวธรรมที่เป็นมหกัตะสภาวธรรมเหล่าใดวิปยุจจากสภาวธรรมเหล่านั้นสภาวธรรมเหล่านั้นวิปยุจจากขันหนึ่งอายตนะสิบทาสิบหและวิปยุจจากอายตนะหนึ่งท่าหนึ่งบางส่วน382สภาวธรรมเหล่าใดวิปยุจจากสภาวธรรมที่เป็นระประมาณะสภาวธรรมชั้นประนีต สภาวธรรมเหล่าใดวิปยุตจากสภาวธรรมเหล่านั้นสภาวธรรมเหล่านั้นไม่มีขันและอายตนะเหล่าไหนที่จะวิปยุตแต่วิปยุตจากธาตุหกสาสภาวธรรมเหล่าใดวิปยุตจากสภาวธรรมที่มีปริตะเป็นอารมณ์สภาวธรรมเหล่าใดวิปยุตจากสภาวธรรมเหล่านั้นสภาวธรรมเหล่านั้นวิปยุตจากขันหนึ่งอายตนะสิบธาตุสิบ วิปยุตจากอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วนสามสภาวธรรมเหล่าใดวิปยุตจากสภาวธรรมที่มีมหคัตเป็นอารมณ์สภาวธรรมที่มีอัปปมานะเป็นอารมณ์สภาวธรรมชั้นต่ำสภาวธรรมที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนสภาวธรรมที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอน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 385สภาวธรรมเหล่าใดวิปยุตจากสภาวธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นสภาวธรรมเหล่าใดวิปยุตจากสภาวธรรมเหล่านั้นสภาวธรรมเหล่านั้นไม่มีขันและอายตนะเหล่าไหนาที่จะวิปยุตแต่วิปยุต จ, จากธาตุห้าสสภาวธรรมเหล่าใดวิปยุตจากสภาวธรรมที่มีอดีตธรรมเป็นอารมณ์สภาวธรรม ท, ที่มีอนาคต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 สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้สภาวธรรมเหล่าใดวิปยุตจากสภาวธรรมเหล่านั้นสภาวธรรมเหล่านั้นวิปยุตจากขันธ์สีอายตนะหนึ่งธาตุเและวิปยุตจากอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วน 2. ทุกกะ389สภาวธรรมเหล่าใดวิปยุตจากสภาวธรรมที่เป็นเหตุสภาวธรรมที่มีเหตุสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยเหตุ สภาวธรรมที่เป็นเหตุและมีเหตุสภาวธรรมที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุสภาวธรรมที่เป็นเหตุและสัมปยุตด้วยเหตุสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุสภาวธรรมเหล่าใดวิปยุตจากสภาวธรรมเหล่านั้น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 สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะสภาวธรรมเหล่าใดวิปยุทธจากสภาวธรรมเหล่านั้นสภาวธรรมเหล่านั้นวิปยุทธจากขันหนึ่งอายตนะสิบธาติสิและวิปยุทธจากอายตนะหนึ่งธาติหนึ่งบางส่วน393สภาวธรรมเหล่าใดวิปยุทธจากสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะ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 สภาวธรรมที่เป็นโยคะสภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์สภาวธรรมที่เป็นปรามาตสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยปรามาตสภาวธรรมที่เป็นปรามาตและเป็นอารมณ์ของปรามาตสภาวธรรมเหล่าใดวิปยุทธจากสภาวธรรมเหล่านั้นสภาวธรรมเหล่านั้นวิปยุทธจากขันธ์หนึ่งอายตนะสิบธาตุสิและวิปยุทธจากอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วน 395สภาวธรรมเหล่าใดวิปยุตจากสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของปรารมาสสภาวธรรมที่วิปยุตจากปรารมาสและไม่เป็นอารมณ์ของปรารมาสสภาวธรรมเหล่าใดวิปยุตจากสภาวธรรมเหล่านั้นสภาวธรรมเหล่านั้นไม่มีขันและอายตนะเหล่าไหนที่จะวิปยุตแต่วิปยุตจากธาตุหกสาก้าสิบหก สภาวธรรมเหล่าใดวิปยุตจากสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้สภาวธรรมที่เป็นจิตสภาวธรรมที่เป็นเจตสิกสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตสภาวธรรมที่รัคนกับจิตสภาวธรรมที่รัคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุดฐานสภาวธรรมที่รัคนกับจิตมีจิตเป็นสมุดฐานและเกิดพร้อมกับจิต สภาวธรรมที่ระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเป็นไปตามจิตสภาวธรรมเหล่าใดวิปยุตจากสภาวธรรมเหล่านั้นสภาวธรรมเหล่านั้นว uh, ิปยุตจากขันหนึ่งอายตนะสิบธาตุสิและวิปยุตจากอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วน397สภาวธรรมเหล่าใดวิปยุตจากสภาวธรรมที 1, ่รับรู้อารมณ์ไม่ได้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 วิปปยุตจากสภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตันหาและทิฏฐิไม่ยึดถือสภาวธรรมเหล่าใดวิปปยุตจากสภาวธรรมเหล่านั้นสภาวธรรมเหล่านั้นไม่มีขันและอายตนะเหล่าไหนที่จะวิปปยุตแต่วิปปยุตจากธาตุห้าสก้าสิบเกสภาวธรรมเหล่าใดวิปปยุตจากสภาวธรรมที่เป็นอุปาทานสภาวธรรมที่เป็นกิเลส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 วิปยุตจากสภาวธรรมเหล่านั้นสภาวธรรมเหล่านั้นวิปยุตจากขันธ์หนึ่งอายตนะสิธาตุสิและวิปยุตจากอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วน400สภาวธรรมเหล่าใดวิปยุตจากสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสสภาวธรรมที่วิปยุตจากกิเลสและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสสภาวธรรมเหล่าใดวิปยุตจากสภาวธรรมเหล่านั้น สภาวธรรมเหล่านั้นไม่มีขันและอายตนะเหล่าไหนที่จะวิปยุตแต่วิปยุตจากธาตุหกสีสภาวธรรมเหล่าใดวิปยุตจากสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสสภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักสภาวธธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสาม สภาวธรรมเหล่าใดวิปยุตจากสภาวธรรมเหล่านั้นสภาวธรรมเหล่านั้นวิปยุตจากขันธ์หนึ่งอาย ต, ตนะสิบธาตุสิและวิปยุตจากอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วน402สภาวธรรมเหล่าใดวิปยุตจากสภาวธรรมที่มีวิตกสภาวธรรมที่มีวิจารณ์สภาวธรรมเหล่าใดวิปยุตจากสภาวธรรมเหล่านั้น สภาวธรรมเหล่านั้นวิปยุตจากขน 1, ันหนึ่งอายตนะ10บธาตุสิและวิปยุตจากอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วน403สภาวัรน์เหล่าใดวิปยุตจากสภาวธรรมที่ไม่มีวิตกสภาวธรรมที่ไม่มีวิจารสภาวธรรมเหล่าใดวิปยุตจากสภาวธรรมเหล่านั้นสภาวธรรมเหล่านั้นไม่มีขันและอายตนะเหล่าไหนที่จะวิปยุตแต่วิปยุตจากธาตุหนึ่ง 4 0 4สภาวธรรมเหล่าใดวิปปยุตจากสภาวธรรมที่มีปีติสภาวธรรมที่สหรคดด้วยปีติสภาวธรรมเหล่าใดวิปปยุตจากสภาวธรรมเหล่านั้นสภาวธรรมเหล่านั้นวิปปยุตจากขันหนึ่งอายตนะ1 0บธาตุและวิปปยุตจากอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วน405รสภาวธรรมเหล่าใดวิปปยุตจากสภาวธรรมที่สหรคดด้วยสุ สภาวธรรมเหล่าใดวิปยุตจากสภาวธรรมเหล่านั้นสภาวธรรมเหล่านั้นวิปยุตจากขันหนึ่งอายตนะสิบธาตุสิและวิปยุตจากอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วน406สภาวธรรมเหล่าใดวิปยุตจากสภาวธรรมที่สหรคตด้วยอุเบกขาสภาวธรรมเหล่าใดวิปยุตจากสภาวธรรมเหล่านั้น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 สภาธรรมเหล่านั้นไม่มีขันและอายาตนะเหล่าไหนาที่จะวิปยุตแต่วิปยุตจากธาตุหกสสภาธรรมเหล่าใดวิปยุตจากสภาวธรรมที่เป็นรูปราวจรสภาวธรรมที่เป็นอบรูปาวจรสภาธรรมที่เป็นเหตุนำออกจากวัตถุสภาธรรมที่ให้ผลแน่นอนสภาธรรมที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ สภาวธรรมเหล่าใดวิปยุจจากสภาวธรรมเหล่านั้นสภาวธรรมเหล่านั้นวิปยุจจากขันอายตนะและธาตุเท่าไรสภาวธรรมเหล่านั้นวิปยุจจากขันหนึ่งอายตนะสิบธาตุสิและวิปยุจจากอายตนะหนึ่งธาตุหนึ่งบางส่วนรวมบทธรรมที่ไม่ได้ในทัตสมนัย123บทธรรมายตนะหนึ่ง ธรรมา 1, ธาตุหนึ่งทุกขะสัตว์หนึ่งชีวิตินทรสีหนึ่งสลายตนะหนึ่งนามรูปหนึ่งภพใหญ่สชาติหนึ่งชาราหนึ่งมรณะหนึ่งในติกะ 19. บทในโคจัตกะห้าสิบบทในจูรันตระทุกะแบทในมหันตระทุกะส5บ้าบทต่อจากนั้นอีก 18. บดบทในปิติทุกะ บทธรรมหนึ่งร้อยยี่สิบสามบทนี้ไม่ได้ในทัศมัยวิปยุตเตนะวิปยุตตะปธานิเทศที่สิบจบ